เราก็สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่เราก็มาทดสอบกันเนาะดีนี้เรื่องอารมณ์ฏิบัติก็เหมือนกั น, นเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ในส่วนที่สัมผัสได้ง่ายๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสได้ง่ายเพื่อให้มันเห็นชัดแล้วก็ฝึกจากสิ่งเหล่านี้ก่อ น, น ฝึกกายให้มันรู้ความเป็นไปของกายรู้ความจริงของกายาว่ากายเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้มันเสื่อมทําอย่างนี้มันจเจริญทําอย่างนี้มันเข้มแข็ทงทํำนี้มันอ่อนแอทําอย่างนี้มันเรียบร้อยทำนี้มันไม่เรียบร้อยก็ศึกษาความเป็นไ ป, ไปเป็นมาหยับหยา บ, ยาบาทีนี้ไอ้ตัวที่เราเข้าขมาศึกษ า, าเนี่ยท่านเรียกว่าตัวรู้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 ว่าหาเครื่องมือชนิดอื่นแล้วใช่ไหมเหมือนกันการจัดการกับที่จะพัฒนาจิตก็เหมือนกันเพราะการแรกที่สุดให้เกิดดวงตาดวงตานี่คืออะไรดวงตาในไม่ใช่ดวงตานอกคือดวงตาในคือดวงตาในได้แก่อะไรได้แก่ตัวรู้อถ้าตามันฝ้ามันฟันฟงตามันไม่เปิดตามันบอดเนี่จะทำยังไงก็ต้องมาเปิดให้มันแจ้ง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 ใช่ไหมเช่นมาจากแหล่งการหันน้ําจากขืนแล้วมาหมุนมอนิเตอร์มาจากที่นั่นแล้วก็มาเก็บไว้สั่งโสวไว้ที่สถานี้ไฟฟ้าใช่ไหมเพราะถึงเวลาก็จ่ายมาใช้เราก็เหมือนกันมอนิเตอร์ของเราคืออะไรการเคลื่อนไหวนี่แหล่งต้นของมันนะใช่ไหมในแหล่งที่มาของความรู้เนี่ยก็มาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกับมาที่มาของไฟ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 คนที่ป่วยก็พอรู้ผิดไปทำในสิ่งที่ผิดมาถึงป่วยสะสมมานานแต่คนที่รู้ถูกมันก็สุขภาพดีพอแก้ไขไดีๆเนี่ยเพราะนั้นพอเอามาใช้มันก็มีผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกเ ร, เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่รู้ผิดก็เีวามิชาทิฏฐินี่คือมายอดของความรู้ทางพุทธศาสนาเพะนั้นเรามาปฏิบัติจะปฏิบัติยังให้มันถูก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 ท่านไม่ทอดทอยใครจะเอาไม่เอาท่านก็พยายามทำอย่างนั้นอันนี้เป็นวิสัยของท่านปูร่รูมีเมตตากรุณาตรงนั้นอ่ะเพราะคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ฉลาดมาทุกคนไม่ได้ถูกมาทุกคนก็ต้องมาฝึกมาสอนกันใช่ไมดังนั้นให้สังเกต ง, ง่ายๆนูนั่งนี้นา่นนาน น, า น, นั่งตอนแรกมันสบายมันถูกใช่ไหมอานั่งนานๆทำไมผิดเพราะมันเป็นไปตามกฎของมัน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 พริกเกลือ น, นกัลร่วนผิดเกลือร่วมมันเค็มถ้ากินเกินไปท้องเราพังใช่แต่ถ้าหากใส่สัสดส่วนได้พอดีมันกับอร่อยเพราะนั้นการใช้สิ่งใช้ของทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงให้สร้างตัวรู้หรือสร้างตัวปัญญาให้ถูกต้องก่อนแล้วเราจะไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุที่เป็นส ม, มุติแต่พอดีเราก็จะได้อานิสงส์เป็นความสุขความสบายทางกายท้งใจ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 เราต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเราอาตมาจึงทาเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทาเรื่องอื่นทาเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าง ộ, ง ộ, ง ộ, ง ộ, งงงงงงงงงงงงงงงงงงเงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงายทั้งใจแต่ขณะเดียวกันเราก็เกิดความถ้าหากคนรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงากรุณา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 อเพราะเราอยู่ร่วมกันร่วมโลกกันใครรู้จริงเนี่ยต้องมีคุณ ส, บสรรมบัติสาประการนี้ถ้ารู้ไม่จริงคุณ ส, บสรรมบัติสาประการนี้ไม่ปรากฏหรือปรากฏแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากจะใช้คาว่าคุณของพุ้าคุณของผู้รู้ใครก็ตามรู้ธรรมะที่ถูกต้องต้องคุณสามประการนี้ต้องปรากฏต้องเกิดปัญญาต้องนิยมใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์สะอาดเป็นหล